อืม <c oughs> นะฟังธรรมเราไม่โอกาสพบกันตอนเช้าตอนเย็นเราลดธรรมสู่กันฟังเรื่องของธรรมะก็คือเรื่องของชีวิตจิตใจของเรานี่หละ่ะชีวิตจิตใจของเราประกอบไปด้วยของสองอย่างใหญ่ๆคือกายกับใจคือรูปกับนาม เรื่องของโรคก็ไม่มากเรื่องของน้มก็ไม่มากถ้าเราไม่รู้ไม่ศึกษามันจะพาหลงไปหลายอย่างจะไม่เกิดความโกรธความโลภความหลงความสุขความทุกข์ความรักความชังถ้าเรารู้ก็เป็นเรื่องของศาสนาเป็นเครื่องดับทุกข์ปลดพ้น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 ตอา น, นั้นก็พอแล้วอย่าไปให้เป็นสองต่ออย่าไปเป็นถึงเรื่องของใจเป็นสุขเป็นทุกข์หรือบางทีกลายเป็นอะไรต่างๆเป็นกินเลสตัณหาเป็นวัตถุที่หนึ่งที่สองที่สามไปใหเรามาศึกษาเรื่องนี้กัน <c oughs> <c oughs> <c oughs>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 วัตถุที่ทําให้เกิดกา ร, รมรคนมีตามีหูมีจมูกไม่ลูกมีรถไม่กินไม่เสียงไม่กายไม่ใจนั่นแหละมันจะต่อให้เราหลงแล้วเราก็อย่าหลงอย่าให้มันหลอกได้ในสติคอยดูแลมันอยู่นี่เรื่องของใจก็เช่นเดียวกันบางทีใจมันหลอกนะ มันมีธรรมเร่องของใจเนี่ยแต่จะตอบมันง้อยก็มีธรรมที่เป็นกุศลมีธรรมที่เป็น อ, อกุศลที่เกิดขึ้นกับกจิตใจความโลภความโกรธความหลงเป็น อ, อกุศลความรู้สึกความระลึกได้ความมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นกุศล ที่มันมีความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจก็อยากเป็นหลงมีความรู้มีความไม่รู้มีความผ่องซ่านอะไรก็อยากเป็นหลงสียงเห่านี้มันก็ยังไม่พอยังมีสมมติตั้ง ก, ก, ก่อตัวขึ้นจากสมมติสมมติเนี่ยมันเอาของสองอย่างมารวมกันเอาลูกเอาน้มเอากายเอาใจมารวมกัน เห็นตาเห็นรูป <c oughs> มันก็ก่อให้เกิดสมมุติบัญญัติหูได้ยินเสียงมันเก่อให้เกิดสมมติบัญญัติจมูกได้กลิ่นลิน่นได้รสกายสัมผัสจิตใจมันคิดขึ้นมามันต่อไปให้เกิดสมมติบัญญัติก่อตัวตรงนี้ก็มีสมมุติบัญญัติว่าชอบว่าไม่ชอบว่าสุขว่าทุกข์ เราก็ต้องรู้มันมันจะสลับซับซ้อนถึงไหนเราก็รู้มันสมมติปัญญานี่ไม่มากด้วยเป็นรูปก็มีเป็นนามก็มีเป็นรูปที่จับต้องได้ก็มีเป็นนามที่ผุดเกิดเรียกว่าโอปปาติกะเกิดผุดขึ้น ปุ๊บทันทีตายไปก็ตายไปปุ๊บทันทีไม่มีซากศพสมมุติบัญญัติสมมตุติบัญญัตินี่หลายอย่างอันนี้สมมุติเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิสมมุติเป็นเรื่องกลัวสมมุติเป็นเรื่องกลา้าสมมุติเป็นเรื่องชอบไม่ชอบสารพัดอย่างไปเชื่อไปหลงสมมุติบัญญัติก็ให้เกิดความหลง ปะเดความหลงไม่เกิดขึ้นลอยลอยมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างหซับซ้อนแล้วก็สมมติปัญญาติเราก็ไม่พอหรือการสัมผัสมันนี่ยมันเป็นอาการเป็นวัตถุวัต ถ, ถุเป็นอาการ ใ, กในตจจิตใจเนี่ยมันก็เป็นวัตถุเมื่อมันคิดขึ้นมาเป็นวัตถุการสัมผัสแต่ความคิด วัตถุมันก็เกิดอาการอาการที่มันสัมผัสบางทีมันก็มีลดอยู่ในการสัมผัสความคิดเฉยเฉยก็มีลดลดในความคิดความโกรธก็มีลดความโลภความหลงความรักความชังความสุขความทุกข์มันก็มีลดเราต้องต้องอย่าให้มันหลอกต่อขี้หน้ามันเอาขี้เอาขี้เอ า, เอานี่คือสมมุติ นี่คืออาการนี่คือบัญญัตินี่คือวัตถุนี่คืออาการให้มันตรงๆอย่าให้มันเป็นรุ่นเป็นก้อนแต่มันไม่มีผู้ดูผู้เห็นเขาไปเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องมันก็ใหญ่โต ไปพาะสมมติปัญญาต์เนี่ยมันต่อจากการสัมผัสบางทีไม่ไม่ไม่ไม่ได้ต่อจากการสัมผัสมันเกิดขึ้นมาเอ ง, เองมันดำดินมันบินบนมาก็มีเรื่องสมมติปัญญาตเราจะไปหลงบางทีมันปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันสุกมันลู่อันโน่นลู่อันนี้มันก็เป็นของกิงสิ่งที่เรารู้ มันก็มีความสุขไม่เคยพบเคยเห็นจิตใจมันดีมันมีปัญญาด้วย <c oughs> คิดอะไรทะลุปูพงทาไปบางบางอารมณ์ถึงกับไม่อยากกลับไม่อยากนอนถึงก็ไม่อยากกินข้าวาจยากอยู่คนเดียวในโลกนะในโลกนี่ถ้ามีคนเดียวจริงจึงจะไม่ความสุข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 อยู่ตรงไหนก็ได้ที่ลุ่มที่ดอนที่ป่าที่บ้านที่ไรก็ได้เนีย่ยไปลงหลวงพ่อเทียนเคยท่วงอได้อารมณ์พอลืถอนอารมณ์สมมติบัญญัติเข้าถึงปรมาจิต จ, จะเห็นฉินเห็นสมาธิเห็นปัญญาเห็นกุศลเห็นอกุศล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 ในชาตินี้จะมีกี่นาทีกี่วินาทีกี่วันกี่เดือนไม่มีหรอกคนทุกข์นะมันสุเหาความทุกข์ไม่เห็นหรอกมันสุกผมกระเดียงว่าอย่าไปเอาสุขอย่าไปเอาสุขให้เห็นมันให้เห็นมันอืงงไปเลยโอเคอุตสาหปฏิบัติมาตั้งนานว่าจะมา เขาถึงสภาพอย่างนี้ทำไมหลวงพ่อเทียนไม่ให้เอาความสุขเป็นเรื่องของคนปราถนารักสุขก็ขเกลียดทุกข์พอมันเกิดผลเกิดความสุขึ้นมาหลวงพ่อเทียนมาบอก่าไปเอาจะไปเอาความสุขให้เห็นมันมันสุขให้เห็นมันดูมัถ้าไปเอาความสุข ก, ก็หยุดเท่นั้นแหละมันไม่ไปถึงไหนหรอก แล้วเมื่อมีความสูงก็ต้องมีความทุกข์คู่กันมันจะหนีจากโลกได้หรือทีแรกก็ตกใจเป็นงงงหมันไก่ตาแตกคิดเสียดายเสียดายความสุขเพราะว่าตั้งแต่ก่อนเนี่ยมันก็มีแต่ทุกข์พอมาลื่อมาถอนอะไรออกมันเกิดความสุขมันเบากายละหุ่ตาจิตตลอดหุ่ตา เบากายเบากิดปีมือของเราทำมาเองจนยกย่องตัวเองจนยกมือไหวตัวเองโอ้โหเราก็ทำได้แค่นี้มก็คุ้มค่าแล้วหลวงปูเทียนหลวงตุเทียนมาบอกแต่ไปเอาซุกดมูมันสุกก็เห็นมันทุกก็เห็นอะไรในโลกเนี่ย ที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายจิตใจนี่ไม่ได้เห็นมันแตพ่ตพื้นแต่พืนน่ะละมันพอมาจับไม่ได้อโอ้ยบัดเนี้ยพอว่าอะไรอะไรก็เห็นมันละสรุปได้ทันทีแล้วมันมันอยู่ตรงที่ดูนี่เองล่ะบัดเนี้ยอาว่าที่ดูนี่แหละตัวเพชร แข่งทำอะไรนะถ้าว่าแข็งก็แข็งเหมือนเพชรถ้าว่าอ่อนก็อ่อนเหมือนไหมดูมันมันก็ไม่มีอะไรหลอกได้ชีวิตอยู่ในกามือเราแล้วก็เคยบอกคนหลายคนเขากำลังโกรธเขาลังทุกข์เขากำลงัล ง, ลงใส่ใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ไปดูวัดที่เขา ไปดูที่ที่เขามอบให้ที่เรายองขอเขาพาการเดินบุกป่าบุกลงไปพาป่าโคมไปป่าลุ่มภูเขาลูกนี่มันเป็นยังไงเขตแดนมันอยูไ่าาไหนล้มบุกไปคนที่ไปด้วยกับโกรธไม่รู้ว่าพาบบุกอะไรไปเดินไปอะไรรู้แล้วก็เท่านี้แหละทั้งบนทั้งเดินไปแล้วก็บุกไปเรื่อยเดินบุกป่าไปเรื่อย คนที่ไปด้วยก็บนบนไม่บนเฉยๆก็แสดงถึงความโกรธความไม่พอใจเขาก็บอกว่าดูมันดูมันอย่าไปเชื่อมันไปนี่แหละไปสบายสบยอย่าไปทั้งคิดทั้งเดินทั้งบุก ป, ป่าไม่ได้หรอกไปเรื่อยๆนนละ่ะายไม่นนละ่ะป่าสันแนนนหลนนนล่ะไปถึงนนละ่ะพวกเราอย่าไปเชื่อมันอาการมันเท่านั้นแหละ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 ทักท่วงได้ผลจริงจริงดูแร่มันก็เป็นอาการเฉยเฉยมันกำลังจะทุกมันกำลังจะโกรธตอหลวงพ่อทักท่วงเนะี่ยโอ้มันล่วงเลยมันก็เขายิงนกร่วงปุ๊บลงเต็นเต็มตั้งแต่นั้นมาเขาก็ได้หลักเหมือนกันติดตามปฏิบัติวิธนนีที่เราทำอยู่เนี่ย มันไม่หันหลังใส่อะไรทั้งหมดมันหันหน้าผ่านสายตาทั้งหมดเพราวะที่ดูเนี่ยไม่ปฏิเสธเรื่องใดเลยเรื่งไหนที่เกิดขึ้นกับกายกับใจลูกหมดลูกครบปลูกทุน่นลูกหมดถ้ามันเป็นสูตรมันก็เป็นสูตรอย่างที่พูดจุดประจำนี่แหละมันไม่ลูกปฏิธรรมมันไม่นามธรรมันมีลูกทำไมีนามทำ เนี่ยแต่เรายกมืออยู่เนี่ยมันเป็นรูปธรรมมันเป็นนามธรรมธรรมซอทอสระอําธรรมทอรอทอทองรอเรือมอม่ารอเรือสองตัวมม่าเดี๋ยวตรนนี้แหละ <c oughs> รูปธรรมนามธรรมมันทําดีมันทําชั่วธรร ม, มชาติรูปทุกนามทุกก็อยู่นี่แหละโูกโลกตามโลกโูกสมมุตินามสมมุติ เดี๋ยวเราแล้วมันก็บัิญัตวัตถุอาการปรมัดมันก็มีเท่านี้แหละทางมันไปเท่านี้แหละผ่านตรงนี้ทั้งหมดแต่ว่าสิ่งที่คล่องแคล่วมากรูปมันทำดีทำดีทำอะไรมีสติลูปมันทำชั่วขาดสติ นามันทำดีมันคิดดีสํารวมระวังนามันทำชั่วมันคิดชั่วบางทีลูกกับนามันรวมกันทำดีทำชั่วทำบางอย่างมันครอบงำในวรรธรรมมันครอบงำศินสมาธิปัญญามันเปิดเผยบางทีอาจทามันครอบงำบางทีทำมันครอบงำผุดสนดอกกุดสน มันก็มีแต่รูปทำนามทำนั่นแหละถ้าจะมองเช่นความงงเอาหอนอนจะมันเกิดขึ้นกับกายกับใจเธนาที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจก็รู้อะไรมันครอบงำอัดทำหรือทรมันครอบงำถ้าอัดทำมันครอบงำมันก็เป็นฝ่ายกุศลมันทำให้ง่หลงงมงายไปถ้าทมที่เป็นกุศล มีศีลมีสติมีศีลมีสมาธิมีปัญญามก็ดีหน่อยแต่ว่าอย่าไปติดศีล <c> ห <oughs> น, นี่ยก็ใช่ให้เพื่อเป็นทางหลุดพ้นมันก็เครื่องมือทำให้พ้นภัยได้แล้วก็ศึกษาไปเนี่ยดูไปเห็นไป แล้วก็วิธีทําก็อย่าไปรีดตัวเองจนเกินไปคอยดักดูมันไปไม่ต้องลุกลี่ลุกลนอะไรผ่านมาเห็นชัดๆมันเราศึกษาบางทีมันพลาดโอกาสนะเก็นความหลงหน่ยพลาดหลายครั้งหลายคราวถ้าเราไม่พลาดความหลงมันก็มีปัญญาตรงนั้นก็มีความหลงทําให้เกิดปัญญาก็มี อาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราก็พลาดใช่ไหมได้ดูไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ทําให้แจ้งความหลงก็ยังไม่ชัดเจนหลงจากกายหลงจากจิตบางทีหลงจากความคิดเนี่ยมันก็ไม่ชัดเห็นความหลงไม่ชัดเจนความหลงก็หลอกได้อีก หลังจากเราจับผู้ล้ายนี่ยจยันทวงศิลจันหนุ่มจับขโมยมาลักของได้ถ้าปล่อยไปเฉยเฉยมันก็ลอยแพลถ้าจับได้ล่ะจับไปเข้าคุกออกจากคุกมาเ ก, ก็มาลักอีกจับวันนี่เขาไม่เข้าคุกก็เรียกชาว บ, บ้านมาไปชมกันทำมาพูดกัน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 โทษเป็นอันเดียวกันรู้แล้วว่าเขาเป็นคนอยาน่างนี้แล้วมาเอาสังคมมาหลอ่อล้อมกันให้สังคมเป็นคนดีไม่ใช่ให้ตำรวจไม่ใช่ให้ทหารเป็นคนดีมีอำนาจเอาสังคมมามีอำนาจลองดูเอาชมุมชนเนี่ยมาหล่อมาลอ้มาล อ, มลอมกันให้เขารู้ว่ามันเป็นขโมยจริงๆหลายครั้งหลายคราวแล้ว แล้วขโมยจ น, นวัดป่าสกุลโตเดือดร้อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงท่านต้อง<ส>เห็นเงีบนะเรียบเงียบเงียบนะเงียบเงียบอยู่นะแต่ถ้าเราถ้าเราฉลาดมันก็กลายเป็นประโยชน์ไม่ใช่เราเด่นคนเดียวในตำรวจเขามีคนมาไอมาก็เขา่าเราอ่า อะไรที่เมด้วยช่วยกันที่จอสร้อยกรุงเทพก็มีนายแพทย์คนหนึ่งอยู่ที่คอนเทนคอยเจอคนไข้ที่เป็นหวัวใจเป็นโรคหวัวใจแต่ว่าต้องซื้อซื้ออะไรคนหมอซื้อหวัวใจเลยนะ <c oughs> เออ <c oughs> ต่ว่าหกมือนนู่นแต่คนป่วยสองคนนี่ เาก็ไม่มีเงินเขาก็รอวันตายเฉยๆนายแพทย์ก็รู้เลิอดวิชาการตรวจพบแน่นอนแต่นายแพทย์คนนั้นเขาก็ไม่ยอมใช่หนระือเขาก็โทรไปบอกอาจอสั่งร้อยประกาศให้ดวห่นวนท้ายน้อยก็เดี๋ยวนี้มีคนป่วยสองคนที่เป็นโรคหัวใจกำลังจะตายอยู่จะต้องซื้อหัวใจลิหนหัวใจมาตั้งหกหมื่นสองอันก็แสนสอง ไม่ใครพอมีศรัทธาไหมพอช่วยคนเพื่อชีวิตของคนสองคนได้ไหมจอสลอยเขาก็ประกาศพอจอสลอยประกาศก็มีคนบริจาค ก, กันเพียบเลยทีเดียวก็โทรมาให้หาหมอไห้หมอผาตัดได้เลย เ, ลยเอาเล่นหัวใจไปใส่เลยไอคนอร่วมกันชวมร่วมด้วยช่วยกันแล้วี่สังคม ไม่เชิดเลิศในวิชาการอย่างเดียวอันโน่นี่เหลอเห็นความบกพร่องเลลองลองดูในตัวเราเนี่ยลองลองดูให้มันเห็นจริงๆริงสักทีหนึง่งความหลงความโกรธมันเนี่ยความทุกข์มันเนี่ยเอามาแบดูเอามาดูให้มันชัดๆดูสิ อย่าปฏิเสธมันเลยทีเดียวเอามาดูชิมดูนี่หรือความหลงนี่หรือความทุกข์ม่ดูความงวงเอานอนมานะ่ลองดูดีๆิลองดูดีๆทำใจสบายสบายแม้บางทีมันพูดกับหมดก็ได้นะเท่าน่งเก็จะให้ มีอยู่นี่ใหม่ๆมีก่อนจะถวายที่ให้เขาชมเมาก็ไปดูไปดูที่ที่เขาจะให้แล้วก็มีศาลาหลังเล็กๆแล้วก็ไปนอนอยู่ตรงนั้นพอนอนลองเนี่ยโอ้ยมดมันมากัดเอาไปใช้ดรลมกัดแจ้งกันกัดลมลมๆม ก็ดูมันจริงๆริงโอ้ยไอมดเด๋ยเจ้าก็ตัวน้อยๆนาอนแ่หลวงพ่อจะขายเจ้าเพียงเอาเมื่อลูบไปบางทีมันตายเป็นร้อยเป็นพันแต่เราพอขาเจ้ายังมาเบียนกันพูดกับมดลองดูให้มันอย่าให้มันถีกันไปให้มันห่างๆดูดีๆบางทีมดกัดก็ทุกข์หรงโกรธห้มด ตายเป็นบาปกัเลยนี่เราก็พูดกับมดลุงดูมดเจ้ามดเด้เจ้าก็ตัวเล็กๆนะแล้วเราจะฆ่าเจ้าเนี่ยเมือรูปไปแป๊บเดียวตายเป็นลอยๆกองกันเลยเนี่ยแต่เราไม่ฆ่ามากัดกันทำไมยอย่างนี่ดูสิมันจะมีทมตรงนั้นก็ได้จะมีเมตตาเกิดขึ้นตรงนั้นก็ได้จะมีปัญญาตรงนั้นก็ได้ เราก็นอนต่อไปมันก็ดีเราก็ใจใจดีดีไป ด, ด, ด, ดีมันก็ค่ายไปเลยนะถ้าเรามีเมตตาจริงๆอะไรเราเอาความหลงออกหน้าออกตาเอาอารมณ์ออกหน้าออกตาไม่ใช่สติปัญญาใช่ความนุ่มนวลของความคิดอา่านอย่าไปคิดแบบหักตลักหักฟังกระทบกระเทือนไหนที่ไปโกรใที่มดด้วยก็ไม่ แล้วมันมีประโยชน์อะไรที่จะไปโกรธให้หมดมันไม่รู้เรื่องอะไรอืมันโง่ของมดไปอีกแล้วแต่มดกัดกเคยใส่ก็โกรธ ก, ก, ก็ทุกข์ด้วยต้องฉลาดสักหน่อยดูเห็นเนี่ยการปฏิบัติทำอย่าลุกลือลุกโกรนอย่าไปคว้าเอาอย่าปเป็นดวนอทําให้มันชัดเจน กับเรื่องใดใบางทีทําไปทําไปยกมือไปยกมือไปมัปมนหลงมันยกมือไปยกมือไปมันลูบเอ้าวตัวดูไม่อยู่มันหลงก็ดูมันอยู่นี่แหละมันลูบ ก, ก็อยู่ดูมันอยู่นี่แหละเราจะดูมันอยู่นี่ตั้งอย่างนี้ปฏิบัติทำมันจะเห็นอะไรชัดเจนดีดีแล้ก็ได้ผลเรียนที่แม่นยําดีกว่าที่จะไปลุกลี้ลุกลน การปฏิบัติธรรมนะโดยพอการเจริญสติโดยเฉพาะแบบการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเปิดเผยไม่มองไปข้างเดียวมันมีตารอบมันมีหน้ารอบทันทีอะไรจะมาให้เรานั่งอยู่นี่เราพูดอยู่นี่บางทีเสียงน้ำข้างป้องๆบา ง, งทีก็เหมือนดนตรี มองไม่ดีมัก็เหมือนกับว่าโอ้ลำคานเสียงอะไรโซ่ชาลังคาเมื่อกี้เนี่ยโอ้เสียงอะไรไม่เป็นไรนะถ้าไปไปไปอยู่ฝ่ายมหา ย, ยานนะเคยไปอยู่วัดฝ่ายมหายานตอนที่สวนมันเคาะเคาะเคาะด้วยกคากเ๊าะไปด้วยนะแล้วก็ว่าเขาได้อยู่สวรรค์บางทีไปสวดศพเนี่ยคนป่วยเขาไปสวดอนะ่ะ เวลาเราสวดก็ยังไปเคาะขอให้แม้แตกกราบรองนะ่ะกราบป้องฟ้าขอจตีกระขงังเออกาบก็เลสองก็ตีเฮิรนกาบเพิ่มสามก็ตีเฮิคยเคยเห็นไหตีอ้ามันก็เป็นดนตรีเสียง<อ>เนี่ยเป็นดนตรีแต่ไปราคาญอะไรง่ายๆกันแต่ไปสวดศพ ที่วัดตันนะ่ะไม่ใช่โศพหรอกคนป่วยตนเลงใกล้จะตายแล้วหายใจแงบๆอยู่การสวดของเขาก็ไม่ได้สวดเลยอมตโตโฟอมตโตโเขาว่าเป็นทํานองนะเพราะอยากให้คนป่วยได้ยินเสียงอมิตรพุทธไปพูดอมิตโตโฟอมิตโตโมตโตโ ฟ, โตโฟถ้าคนป่วยกีดของเขาฟังอมิโตโฟเขาก็จดะดตายไปอยู่กับพระมิตรพุทธ เอาไปยืนข้างเตียงสวดพอเขาสวดด อ, อกแล้วเราก็เข้าไปสวดเราก็เข้าไปสวดสเปสังฆราณีจา้าสังขารคือร่างกายจิตใจคนเยอกี่นะไปด้วยกันอะเรากันไปสวดที่นนะสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดเท้นแล้วดับไปไมีแล้วหายไป โอ้ยังไม่ตีเกาะใช้อยู่นะเราไปสวยกันถ้าม่ตีก็ก็ใส่ให้เราอยู่อันนี้เสียงน้ําข้างตกเนี่ยเรถ้าจะเปรียบบนเกาะก็ได้อะไรก็อย่าไปลาคันทั้งหมดดูดีนีมันจะมีปัญญาไม่ยุ่งไม่ยากอะไรถ้ามีสตินะัมันง่ายจริงๆมันสะดวกอืมไม่ปฏิเสธเรื่องใดไม่ต้องไปรับหูรับตา ไอ้ต่อยป็นนั่งจนตัวแข็งทื่อเอาเราจะนั่งได้แปดชั่วโมงให้ต้องดอกสลับฉากไปเรื่อยๆฉากไหนมันไม่ชัดเจนเปลี่ยนไปเลยนั่งอยู่มันง่วงๆซึมๆก็ลุกขึ้นเดินไปเทคนิคหลายอย่างหามาอย่าไปจนอืมหาทางพบทางให้ได้เออแยะทางออกโดยเฉพาะการจเจริญสติปัฏฐาน ยืนเดินนั่งนอนยิ่งคู่เหยียดเพื่อนไหวเอาลงไปหายใจแรงแรงลองดูหยุดพักหายใจแรงแงเนี่ยจะหลับฉากเหมือนนักมวยเขาต่อยเหวนเขาเล่นกีฬาหาฉากไงเตะบอลทับหน้าทับหลังจ่วิ่งยังไงจะ ด, ดักตรงไหนบางทีไม่มีสูตรสำเร็จเขาปรับปรงุงของเขาไปเลย เขาก็เป็นนักกีฬาคนต่อยมวยหนึ่งวิชามวยของเขาเอาจจะไม่สอนทั้งหมดแต่เขาเทคนิคของเขาสลับฉากเป็นในการปฏิบัติธรรมก็มันกันมันวิเศษจริงๆการสร้างจังหวะเนี่ยหลายฉากนะเพานนพวกเราถูกทางแล้วจะไปคิดอะไร แล้วก็อบอุ่นใจมีเพื่อนมีมิตมากมายอันนี้เราก็ก็จะได้ไปถ้ามาไปก็กะตีมันรั่วเอายาอายาแฝกมุงอ่ะพอหน้าฝนซู่ซูเขารั่วแล้วหลวงพอไม่อยู่ฝนตกมาของเปียกหมดราจะไปทำกะตีสักวันสองวันนะ